การทำงานร่วมกันระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ถามกรรมเก่ากับกรรมใหม่ทำงานร่วมกันหรือเป็นต่างหากจากกันครับตอบพระพุทธเจ้าตรัสว่ากายมนุษย์กับใจมนุษย์นี้ คือผลของกรรมเก่าของพวกเราส่วนเจตนาดีร้ายที่กำลังควบคุมได้ถือเป็นกรรมใหม่ของพวกเราหากยึดถือตามนี้ก็แปลว่าไม่มีอะไรเป็นต่างหากจากกันได้หรอกครับกรรมเก่าส่งอะไรมาให้คุณก้อนหนึ่งทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณบริหารก้อนอะไรนั้นด้วยความคิดอ่านแบบไหนนั่นเองหากคุณนั่งตากลมหนาวจนเป็นไข้ นอนสมสองสาวันแล้วหายอย่างนี้คุณจะไปถามว่านั่นเป็นกรรมเก่ามาแต่ปางใดไม่ได้กรรมเก่าของคุณเอื้อเฟื้อร่างมนุษย์ให้แล้วแต่คุณไม่ระวังเองปล่อยให้กายถูกแดดลมรุกรานโดยไม่ป้องกันให้ดีกรรมเก่าอาจเอื้อให้คุณมีบ้านที่ตั้งอยู่บนจุดชมวิวงดงามแต่คุณเลือกที่จะปิดม่านหมดทุกด้าน คุณก็ไม่ได้เห็นวิวงามสักด้านเดียวกรรมเก่าอาจเอื้อให้คุณซื้อแกรนเป็นโนโดได้หลังละสิบล้านแต่คุณไม่ขยันเรียนไม่ให้เวลาซ้อมผลคือเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเล่นไม่ถูกคีย์บุญเก่าอันยิ่งใหญ่ของคุณก็ส่งเสียงออกมาไม่เป็นสับประรดอยู่ดีหรือเอาอย่างง่ายที่สุดมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เงยหน้าขึ้นมองดูดาวเปล่าวสวย แต่สังเกตเธอฝูงชนเอาแต่ทอดตามองดินมองขยะสกป ร, รกบนดินขี้เกียจแง่คอตั้งบ่าชมฟ้ากันทั้งนั้นและในทางกลับกันกรรมเก่าอาจเอื้อให้คุณได้บ้านโกโรโกโสแต่คุณมีความฝันมีความเพียรตกแต่งทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังกระทั่งได้บ้านน้อยหน้าอยู่หน้าดูทุกมุมมองขึ้นมา แม้ไม่มีทัศนียภาพภายนอกที่น่าชื่นตาแต่เข้ามาภายในก็ชื่นใจอยู่ดีกรรมเก่าอาจเอื้อให้คุณซื้อได้แค่เปียนโนกระจอบเสียงบอดไปหลายขีแต่คุณมุมาณนะศึกษาและฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตายในที่สุดบุญเก่าก็จ้อยร้อยก็ส่งเสียงทรงสเสน่ห์ออกมาได้ หรือเอาอย่างง่ายที่สุดต่อให้คุณไม่มีสิทธิเห็นดาวเห็นเดือนเพราะกรรมเก่าส่งให้ติดอยู่ในถ้า ม, มืดถ้าว่าคุณรู้จักบาเพ็ญสมาธิสำเร็จฌานสำเร็จอภิญญาก็อาจถอดจิตออกไปชมดาวเดือนได้นั่นเชียวจากตัวอย่างที่กล่าวมาคงได้ข้อสรุปว่ากรรมเก่าส่งมาอย่างไรคงไม่สาคัญกว่าคุณพยายามทากรรมใหม่ ให้ดีขึ้นแค่ไหน